Oh. สิ่งที่ผู้คนในโลกนี้ปรารถนานอกจากนี้ไม่พ้นเนี่ยสประการเนี่ยคือการมีสุขภาพดีมีเงินมีงานที่มั่นคงก้าวหน้ามีสถานภาพเป็นที่ยอมรับของผู้คนแล้วก็มีครอบครัวที่ผาสุปอบอุ่นอาจจะต้องการปรารถนาอย่างอื่นนอกไปจากนี้นะแต่ว่าอันนี้คือ สิ่งพื้นฐานนะที่ผู้คนปรารถนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียก4ประการเนี่ยว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ชั้นต้นบางทีก็เรียกว่าประโยชน์ทางโลกภาษาบาลีว่าทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ทางโลกนะเรื่งเราจะเรียกเป็นความสุขทางโลกก็ได้ความสุขทางโลกมันก็มีสประการนี่แหละนะเป็นพื้นฐานเลย และนี่คือสิ่งที่ผู้คนนะก็พยายามที่จะภาคเพียรขนขวายเพื่อให้ได้มาเรียนหนังสื อ, อนังหาแสวงหาวิชาวความรู้มากมายก็เพื่อความสุขเหล่านี้และที่มาวัดมาทำบุญนะก็เพราะปรารถนา ความสุขที่ว่านี่แหละมาเข้าวัดมาทำบุญก็อยากให้พระให้พรนอกจากอายุวันนสุขภัตระแล้วนะก็รวมถึงการมีทรัพย์สินเงินทองมีความสาเร็จในการงานแต่ก็ธรรมดานะการที่จะแสวงหาความสุขทางโลกเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปบางครั้งก็ต้องมีอุปสรรคบางครั้งก็ไม่สำเร็จประสบความล้มเหลวเกิดปัญหาต่งตางๆเรียกเป็นความทุกข์ก็ได้แลความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่มันก็วนเวียนหรือว่าแวดล้อมอยู่กับสี่เรื่องนี้แหละสุขภาพไม่ค่อยดี ตกงานหรือว่าเงินทองไรหรออล้าจะรวมถึงทรัพสมบัตินะสูญหายไปพุ่นตกบูญค่าลดนะงานการนะมีอปุปสรรคหรือว่าเกิดปัญหาในครอบครัวบางทีคนรักก็จากไป มีทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายแต่ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะก็สมควรที่เราจะแก้ไขให้ปัญหานี่มันร่ร่วงไปด้วยดีไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยหรือว่าบทอะไรใยอยากกับชีวิตก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา เห็พิจารณาว่ามันมีสาเหตุจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งที่จริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอริยสัจสีนะเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหาสมุ ท, ทยัยแล้วก็ตั้งเป้าันที่เรียกว่านิโรธเป้าคือปัญหาหมดไปเรียกว่านิโรธก็มีวิธีการเรียกว่ามร ผมต้องใช้ความรู้ที่รำเรียนมาในการแก้ปัญหาเหล่านี้เดยแล้วก็ตามเนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหมกมุ่นจมอยู่กับการแก้ไขสาสาง อย่างเดียวแต่ควรจะมองไปได้วยว่าปัญหาทางโลกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเป็นโจทย์ทางธรรมได้ถ้าเรารู้จักมองนะว่าเนี่ยปัญหาทางโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือโจทย์ทางธรรมมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ย ทุกน้อยลงไม่ถูกปัญหามันกระหน่ำซ้ำเติมโจทย์ทางทํ า, ามี่หมาเขาไวไงหมายคมว่าเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสถานภาพเนี่ยลองเอามาเป็นโจทย์ตั้งคำถามดู ว, ว่าเออ ทำยังไงใจเราจะไม่ทุกข์เพราะเหตุเหล่านี้ไม่ใช่มัวแต่แก้ปัญหาจนลืมกลับมามองว่าทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทำอย่างไรนะจะดูแลจิตใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะปัญหาเหล่านี้ หล่นทั้งมองต่อไปด้วยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะมันสอนทำหรือมันให้แง่คิดทางทำกับเราได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฝ่ายทำเนี่ยนะไม่ควรละเลยนะผู้ฝ่ายทำจำนวนมากก็ยังต้องใช้ชีวิตทั้งโลกใช้ชีวิตอย่างผู้คองเรือน หรือแม้แต่เป็นนักบวชนะปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องเหมือนกันนะใช้เรื่องสุขภาพเนี่ยหรือบางทีเรื่องครอบครัวที่ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่เรื่องจะรวมไปถึงผู้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยในฐานะที่เป็นพระ พ, พระพิสุสง์ด้วยกัน ถ้าเรามมวแต่แก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องดีนะการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ว่าเราไม่ไม่มองต่อไปว่ามันเป็นโจทย์ทางทําให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าเราอาจจะถูกปัญหานี่มันดูดกลืนไปนะจนหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์ไปกับความเครียด จากปัญหาหรือจาักการแก้ปัญหาในทางโรงข้ามเนี่ยเรามองว่าปัญหาทางโลกแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นโจทย์ทางธรรมให้กับเราได้ด้วยอันที่มันจะช่วยทำให้เรานะทุกน้อยลงจากปัญหาหรือทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยนะโจทย์ทางธรรมเนี่ยก็อย่างที่ว่านะ ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะรักษาใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์และมันสอนธรรมมันแสดงธรรมให้กับเราอย่างไรคำถามหรือโจทย์ประการหลังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้ประโยชน์นะเห็นประโยชน์ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา คนเราเนี่ยต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมเสร่อมเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าเจอทุกเจอคำต่อว่าด่าทอคื่จริงมีมากกว่านั้นนะแต่นี่เป็นเป็นพื้นฐานสี่ประการที่เราต้องเจอ สาผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยคือผู้ที่มีธรรมเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตเนี่ยก็ต้องรู้จักหาประโยชน์จากอ น, นิฐารมด้วยหรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่พระนันทะเนี่ยได้กล่าวกับพระองคุลีมานนะว่าเนี่ยพระองคุลิมานถามพระนันทะว่าพทธเจ้าสอนอะไรน พนันท่าก็ตอบหลายข้อนะข้อนึงคือว่าเนี่ยผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารมพระผู้มีพระภาคเจ้าสารเสร็ญพระพูดนั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ไม่ได้ต้องจบปริญญาไม่ต้องมีความรู้สูงเดี๋ยวว่าความรู้ทางวิชาชีพวิชาการแต่ว่ามีความรู้ทางวิชาชีวิตนะความรู้ทางวิชาชีว์คือ ส่วนนั้นคือว่านุกจะหาประโยชน์จากอนิจจาลมแต่ก่อนอู่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะโจทย์ข้อแรกเนี่ยสำคัญมากคือทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เวลามีความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นจะเปานไงมันจะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เวลางานมีอุปรสรรคหรือไอถึงขั้นตกงาน มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียแต่งานเนาะแต่ว่าใจไม่เสียด้วยหรือว่าของหายเสียทรัพนะก็เสียแต่ทรัพนะแต่ว่าใจไม่เสียแน่นอนนะอย่างที่บอกเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องแก่เจ็บป่วยเราก็ต้องรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ของหายก็ต้องขวดขวายหามันมางานอยู่ประสักด์ก็ต้องจัดการทำให้อุปสรรคเนี่ยมันแก้ไขหรือว่าจัดการกับมันให้รู้ล่วงไปมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับผู้คนเขาก็ต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์นั้นให้มันกลับคืนดี นี่คือปัญหาทางโลกที่เราต้องแก้แต่ว่าก็อย่าลืมนะโจทย์ทางธรรมที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อป่วยกายไม่จเป็นต้องต้องลงเอยด้วยการป่วยใจก็ได้หรือว่างานมอยอ่ปสรรคหรือว่าล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวก็ได้ อยงที่ลวงพ่ อ, อเขียนนั่นพูดอยู่เสมอนะอางาที่ท่านทำเนี่ยเดี๋ยวพราะเกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยพูดลวมๆแล้วก็เรียกว่าล้มเหลวแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวนะตัวท่านไม่ล้มเหลวหมายความว่าใจท่านไม่ได้เป็นทุกข์อะไรจะทําที่ได้เนี่ยก็เพราะรู้จักแก้โจทย์ทางธรรมเวลาเกิดปัญหาทางโลกขึ้นมาจะรักษาใจไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะ พื้นฐานเลยคือยอมรับมันยอมรับไว้ก่อนยอมรับก่อนเพราะถ้าเราไม่ยอมรับถ้าเราปฏิเสธผักไสมันมันยิ่งเป็นทุกข์นะแล้วบางครั้งเนี่ยการผักไสเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับเนี่ยกับทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเองเช่นเจ็บป่วยเนี่ย อันนี้มันก็หนักอยู่แล้วนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่วยกายเดียวนะป่วยใจเพราะว่าใจไม่ยอมรับใจมันผักใส่ทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นเกิดความเครียดเกิดความกัดกรุ้มเกิดความโกรธแค้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันซ้ำเติมใจแล้วก็ซ้ำเติมกายให้แย่ลงอ่ะแต่ถ้าว่าเรานะ รู้จักยอมรับมันอย่างน้อยเนี่ยใจไม่ผักใสความเครียดความผิดหวังหรือว่าโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบรรเทาบาบางลงก็เหมือนกับเวลาเราเจอรถติดนะรถติดเนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ได้ทำ มันก็ไม่สร้างปัญหาให้กับเราเท่าไหร่มันก็แค่ทําให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ใช่แค่เสียเวลาเวลาเจอรถติดนะแต่ว่าเสียอารมณ์ด้วยเสียอารมณ์รถไม่ใช่แค่ติดอย่างเดียวบางที่จิตตกด้วยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับแต่พอใจยอมรับได้นะมันเบาเลย ก็มันไม่ใช่แค่ยอมรับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะแต่ลวมถึงยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นด้วยอันนี้ก็สําคัญนะบางที อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นความโกรธความเกลียดความเครียดเนี่ยเราไม่ยอมรับมันโนะดยเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ชอบให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ได้ ทำไมฉันโกรธมากแบบนี้ทําไมฉันเกลียดขนาดนี้นะยิ่งไปผักใส่มันยิ่งไม่ยอมรับมันยิ่งทุกข์เข้าไปอ่ะไอ้ความโกรธก็ยิ่งเผาล้นจิตใจความเกลียก็ยิ่งปลี่แทงใจมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะเกิดไปรับรู้เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็เกิดความโกรธนะความโกรธนี่มันพุ่งไปที่คนคนหนึ่ง พอโกรธแล้วทำยังไงนะก็พยายามตามลมหายใจเพื่อจะระงรับความโกรธแต่มันก็ไม่หายจะเลยลุกมาเดินจงกรมแต่เดินจงกรมใจมันก็ยังฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งทำให้โกรธหนักขึ้ น, น, นตอนหลังก็เลยมาใช้วิธีนะเรียกชื่อมันนะ ความโกรธก็ขึ้นก็เรียกมันโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะแต่มันก็ยังไม่หายนะ ม, มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยพอมันโกรธมากๆานี่เธอก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ย เ, เธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอโกรธนะเพราะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงโกรธ เธอโกรธได้นะเพราะว่าพอทำใจแบบนี้นะความโกรธนี่มันลดบูบไปเลยมันหายไปเยอะเลยจนเธอประหลาดใจมากมันหายไปได้ยังไงทั้งที่เดินจงกรมก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วนะเรียกชื่อมันก็แล้วแต่ไม่หายนะแต่พอ บอกกับตัวเองว่าโกรธได้นะเธอโกรธได้นะทำไมมันหายไปนะเพราะว่าเธอยอมรับมันยอมรับความโกรธไอ้กอ่อนหน้านี้เนี่ยลึกๆมันยอมรับไม่ได้มันก็พยายามผลักไสพยายามใช้วิธีการต่างๆโดยมีเจตนาลึกๆหรือความปรารถนาลึกๆว่าเนี่ยอยากจะให้มันหาย ทนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นมันมีความสุกอยากจะผักสายมันอยู่ลึกๆนะแต่พอตรงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไอ mm hmm. ความอยากจะผักสายหมดไปมันเกิดการยอมรับขึ้นมาแทน mm hmm. เธอโกรธได้นะโอเคนะที่เธอจะโกรธนะพอยอมรับมันนะ ให้ความโกรธนี่มันไปเลยแต่ตอนที่ไม่ยอมรับมันนะมันยิ่งลบกวนรังควานเหมือนกับยิ่งห้ามก็ยิ่งยุแต่พอยอมรับมันกลายเป็นเพื่อนกับมันนะมันก็ไปเองเลยนะในการยอมรับเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยยอมรับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยอมรับอารมณ์ที่ เป็นผลจากเหตุการณ์หรืออารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นในใจให้การเจริญสติเนี่ยมันถ้าจะว่าไปมันก็คือการฝึกใจให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามอันนี้โจทย์ข้อที่สองเนี่ยนะก็คือว่าเออมันสอนทำอะไรให้กับเรา อันนี้เราก็ต้องรู้จักนะพิจารณานะความเจ็บความปวยมันก็สอนให้เราเห็นนะว่าสังขารมันไม่เที่ยงเลยนะร่างกายไม่ใช่ของเราทรัพย์สินเงินทองที่หายไปก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราเรามองหเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้กําไรนะมันทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้น เหตุการพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะเป็นสื่อสอนทําให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักมองหรือบางทีถ้าเรานะเกี่ยวข้องกับมันถูกมีผู้ชายคนหนึ่งนะทำโทรศัพท์มือถือหายโอ้สมัยนั้น10ปีก่อนโทรศัพท์มันราคาแพงมากแล้วก็เสียใจกุ้มใจช่วยเลยไปหาหลวงพ่อวัดที่อยู่ใกล้ๆนะซึ่งเขาเชินว่านั่งทางในเก่งก็เชื่อว่าจะหาของหาย ให้เจอได้ไปถามท่านจแทนที่ท่านจะถามว่าหายเมื่ อ, อไรหายที่ไหนท่านถามว่าเนี่ยมีรถไหมมีครับเออไม่นานมันก็ไปมีบ้านไหมมีครับเออสักวันหนึ่งมันก็ไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับเออสักวันหนึ่ง เขาก็ไปเหมือนกันนะพอไดนทีนี้เก็ะเลยนะกราบหลวงพ่อเลยเก็ะเนี่ยคือเข้าใจเลยนะว่ามันธรรมดานะไม่ว่าเรามีอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องศูนย์มันไปมีก็หมดพบกับพรากเจอกับจากเป็นของคู่กัน อันนี้รียวว่าได้ธรรมะนะจากเหตุการณ์หรือบางทีหลวงพ่อถ้าจะเตือนให้คิดว่าให้ตระหนักว่าโชคดีนะที่เธอยังหายแค่โทรศัพท์นะเพราะต่อไปนี่รถก็ดีบ้านก็ดีหรือคนรักนี่ก็ต้องไปเหมือนกันอันนี้มันก็ให้ง่ายคิดทางทมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเนี่ย ในขณะที่เราพยายามแก้ไขปัญหาอย่าลืมนะอย่าลืมมองว่ามันคือโจทย์ทางธรรมให้กับเราอันนี้คือหน้าที่เลยนะของผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยที่จะรู้จักเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือในทางธรรมเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยมันล้วนแต่ก่อทุกข์แต่พอเรามองมันเป็นโจทย์นะ มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปนะเหมือนกับเวล า, าทำการบ้านเนี่ยเราทำการบ้านเน่าต้องเวลาเราเรียนหนังสือเราต้องมีโจทย์จากการบ้านและโจทย์นี่มาทำให้เราฉลาดมากขึ้นโจทย์แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยล้วนแต่เป็นของดีที่ทำให้เราฉลาดทำให้เรามีความรู้งอกเงยเหไอการที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นโจทย์ ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาแลวไม่ใช่่ปัญญาตัวทั่วไปนะเป็นยาเป็นปัญญาที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงพอถ้าเรารู้จักตั้งคำถามไม่ถูกเนี่ยเช่นคำถามว่าเออทำไงใจจะไม่ทุกข์จะรักษาใจไงไม่ให้ทุกข์เนี่ย้อวาจะพบว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นรือรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้าง เพราะว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะพบว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะไปยึดติดถือมั่นยึดติดกับทรัพย์ยึดติดกับงานยึดติดกับความคาดหวังพอไม่เป็นไปอย่างที่หวังพอมันเสื่อมไปเสียไปก็เลยทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะความเสื่อมความเสียแต่เป็นทุกข์เพราะความยึดติดยึดทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่พอระวังใจถูกนะปล่อยวาง มันก็ไม่ทุกอีกต่อไปถึงแม้ว่าของที่เสียไปจะไม่ได้คืนอันนี้มันทําให้เราฉลาดขึ้นนะมีธรรมะเจริญงอกงามมากขึ้นถ้าพอเราเห็นมองว่ามันเป็นโจทย์ทางธรรมนะต่อไปมันก็จะกลายเป็นโอกาสทางธรรมหมายถึงโอกาสที่เราจะได้เจริญงอกงามในทางธรรมมีสติมีปัญญามากขึ้นสามารถแก้ทุกข์ได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอทุกข์หนักๆก็สามารถรักษาใจให้ ไม่ทุกได้ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีที่ผู้ฝ่ายทำเนี่ยล้วนปรารถนาถ้าปรารถนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมองนะว่าทุกปัญหานี่มเป็นโอกาสในทางธรรมเป็นโจทย์ในทางธรรมได้อเยนีพุทธรณีนะอกาะ